สองหนึ่งสองสองสองสามนี่พานังสมาธิตอนหกโมงเย็นตรงเวลาหพ่อหกโมงเย็นมานั่งแล้วส่งน้ำเสร็จเรแล้วก็ขึ้นบวถเลยชาวพุทธนี่ก็เกิดมากันแล้วนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญมา่อความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันนะแล้วก็ บุญพอเกิดขึ้นมาในพุท ธ, ธศาสนามีความเชื่อปลูกฝังมาออกในสมองก็จะมีแสงสว่างจุดสว่างขึ้นมานักชาตพุทธเนี่ยก็พิเศษเกิดขึ้นมาว่าะเอกสลยจะมีแสงสว่างแสงสว่างแห่งพุท ธ, ธะความเชื่อปลูกฝังมาแล้วลนักเรียนนรกสวรรค์บางคนเชื่อแล้วก็ พยายามหรีกเรี่ยงด้วยพยายามทำความดีด้วยบางคนก็เชื่ออยู่แต่ว่ายังทำใจไม่ได้่องทำไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วก ล, กลับเข้ามาก็มาปฏิบัติมารู้มรรผลที่ผ่านก็มากมีศีลทำก็มากเพราะความเชื่อนี่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นทางที่จะดีไปดีเนี่สำคัญในความเชื่อนี่คือศรัทธา นริต้นก่อนศรัทธาคือความเชื่อความเริ่มใสความเชื่อแล้วก็ความเริ่มใสนะเราเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องสแสวงหาออทางสงบเลยก็มีอยู่แล้วนะใกล้ชิดถ้าเกิดอยู่เมืองนอกก็ต้องสแสวงหาไกลนะพอทุกขึ้นมาสแสวงหาไปทึงไหนนะไปเดินทางไปหลายประเทศ สีลังกาพมาัมมะอินเดียไทยลาวคเมนญี่ปุน่นที่เบสไปหลายประเทศกว่าจะหาทางที่จะพ้นทงได้ไม่ไง่ายนะักของเรานี้เกิดขึ้นม า, กมาม เ, เ ก, กิมีความเชื่อเด็กๆก็มีความเชื่อเคารพและนักธรมมาพูดถึงก็มาตอนเด็กๆเห็นพระราก็ชอบยกหมู่ไว้ แต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรหรอกถ้าเกิดเดินผ่านพระต้องนั่งลงแล้วก็พนมมือน่ะพนมมือรู้สึกว่าใจไม่สบายเมือนะั้นแล้วก็มีความเคารพแล้วก็พระกลับไปถ้าเปิดมาเจอหนังสือทั้งหน้ามีพระก็ต้องไหว้ก่อนต้องไหว้ทุกครั้งวันหนึ่งไห ว, ว้หลายครั้งเหมือนกันนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็มีทิศสัยอยู่เคารพในพระบูดาจ้าวธรรมพระสงค์่ะไรย่างนี อยู่ในใจของเราเนี่ยก็เป็นนิสัยผัสใจบางทีมันก็นลืมไปเผลอไป ป, ไ ป, ประมาทไปก็กลับเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยคือความปลุกฝังมีอยู่แนละ้วความเพียรความต้อใสใยในพระพุทธศาสนาก็อาจจะเกิดจากหนึ่งเราเกิดมาในครอบครัวของชาวพุทธพ่อแม่ก็สอนแต่เด็กเด็กก็เห็นพ่อแม่ศรัทธานําก็ต่อเนื่องกันกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ลูกก็เห็นอย่างนั้นก็ เนื่อสายศรัทธามันต่อเนื่องกันด้วยก็ต้องกรรมของเราเริ่มาเกิดด้วยนะที่มาเกิดในคนที่เขามีศรัทธาเนื่องสายในพุทธศาสนาในประเทศที่มีพุทธศาสนาต้องเกี่ยวกันทั้งทั้งกรรมของเรากรรมของคนที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกันบางทีเรามีศรัทธาไปเกิดในคนที่เขาไม่มีศรัทธาเนี่ก็ลำบากอย่างเง้ยน่ต้องเกี่ยวข้องกันก็เรียกว่าเป็นบุญ เป็นกุศลใช่ไหมหนูน้อยก็ยังเชื่อละบุญเป็นยังไงนะนบุญเป็นยังไงนะน้องบุญนัดบุญเป็นยังไง ส, สบายใจแมยบุญน่ถูกต้องถูกต้องนะนะบุญก็สบายใจนะถ้าบาปแล้วเป็นยังไงตกนรกแล้วทุกไหมถูกต้องแล้ว ตอบปัญหาได้ถูกต้องสองข้อวันนี้นะพระพุทธเจ้าเกิดที่ประเทศไหนพระพุทธเจ้าเกิดประเทศอะไรอินเดียใช่ไหมถูกต้องไม่ต้องถาปัญหาวันนี้ตอบถูกสามข้อเลยนะถ้าเกิดมีศีลห้าเป็นคนดีไหมน้องมนัทจะมีศีล5้าตลอดไหม ออนนันน่ได้ทุกข้อเลยนนเอาทองให้ฟังยัยอานาติปาตานข้อที่สองอัตินาอัตินาธาณากาเมสุมิชฌาลา่า มุสาวาทาสุลามรยามัชชะเออจะได้จะได้ะไดนะเอาละนี่สินหครบแล้วนั่นะี่สินห้าทำให้เป็นคนดีด้วยไปสวรรค์ด้วยนะี่สินหเนี่ยนักษาศีลได้แล้วไปสวรรค์ด้วยนะเป็นคนดีด้วย มีความสุขด้วยนะนันก็ยิ่งมีพุโทโธพุโทโธก็ยิ่งมีบุญมากๆสมองดีด้วยเออเออแต่ว่าเอไม่ได้หยุดอะ่ะโอไปทุนละไปรณรงค์เลือกตั้งก็เปล่ากันหลัง กำลังจะรับไม่รับกันอยู่เนี่ยร <c oughs> ับรับไม่รับก็คนก็มีไม่เอาอย่างอื่นเลยไม่พัฒนามีศีลมีธรรมบ้างอะ่ะใครเข้ามาก็บอกว่าเป็นคนดีไปกินไปโกงกันไปหมดและะ้วก็ตายเนี่ยคนมีศีลมีธรรมเข้าไปปกครองบ้างก็บ้าเอาหน่อยอย่างเงี้ยคราวนี้เลือกตั้งก็ต้องแจกเงินกันแล้วอะ่ะทั้งวก็เงินไม่มาคาไม่เป็น ในอย่างหนึ่งคนก็ไม่เห็นว่าเลือกเข้าไปแล้วเราจะได้อะไรนะแต่ถ้าเกิดว่ากาแล้วเราได้สองร้อยมันก็ได้ล้วลงหน้านเลย <ś c oughs> ฉันเป็นอย่างนี้ในในชนบทอ่ะยอะอยมากไหมละ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรมากกว่า น, นั่นแะมันหลายปีแล้วนะอย่างเงี้ยมันเดินหน้าถอยหลังกันอยู่อย่างเงี้ย<อ>ให้ทีน่าก็เห็นคนที่เข้าไปในปกครองรัฐบาล น, น, นั่นเป็นผูบริหารก็กินภาษีประชาชนนั่น นะก็เหมนจะทําอะไรได้สักทีลาบากเหมือนกันแต่ก็ต้องเป็นระบบมันอย่างเงี้ยต้องว่าไปค่อยๆพัฒนาไปอยู่ที่การศึกษาการศึกษาแต่ว่าเด็กน้อยขนาดนี้มีอย่างเงี้ยเออนะสัก80ดรคนรุ่นนี้โตขึ้นอย่างนี้ได้การศึกษาคุณธรรมนะโตขึ้นไปก็ อาจจะกลายไปบ้างอย่างงี้เหลือสักครึ่งหนึ่งก็ยดีอ่ะอันนี้มันไม่ใช่อย่างงั้นนะมันแข่งขันด้านการเรียนด้นความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมก็เสื่อมแต่มาว่าคนเราตามชนบทนะอะไรอย่างเนี้ยมีศีล ม, มีธรรมมากน ะ, นะยังมีมีศรัทธาในพระศา ส, สนาด้วยทาแต่งจังหวัดทำจังหวัด อากาสายของเราเนี่ยนะพอมีความเจริญเข้ามาแล้วมันก็เริ่มมีตัวมีตนเริ่มเป็นมัทธุนิยมมันก็อย่างล้วไม่มก็ไม่พอมัไม่เสื่อมมันมีศีลธรรมคุณธรรมไม่เป็นไรแล้ ว, ล ว, เ, รวรรนะเราก็ไปทางสวรรค์ก็จะไปทางไหนก็ไปนะเราก็ไปทางสวรรค์ของเราใช่ไหมน้องโมนัดทางสวรรค์ของเราดีกว่า ไหว้พระสดมนต์บำเพ็ญภาวานานั่นแหละน้น่องบุญนัดมีบุญนะนะมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตายายมีศีลธรรมเนาะออมีบุญมาเกิดนะเนี่ยเราหลั่ดีละสมาธิสำคัญนะอาจารย์พ่อ